ทำต่ออีกเพื่อให้เป็นส่วนประกอบกับการปฏิบัติธรรมแล้วเราก็มีส่วนร่วมคือมีการกระทําสิ่งที่เรากระทําก็มีคือกายคือใจคือสติถ้ามีแต่ ส่วนประกอบไม่มีการกระทำก็เมียไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่เป็นกรรมอมเมื่อก ร, รมไม่มีผลของกรรมก็ไม่เกิดการกระทำสองคันตงโดยเฉพาะกรร ม, มาฐานศักดิ์สิทธิ์ที่สุดทันทีทันใด เป็นกรรมขึ้นมาทันทีสมวัตเราไม่ใ่มีสติเอามากำหนดมาทำดูก็เกิดขึ้นที่กายสติเป็นธรรมที่เป็นกุศลมีสติเบื่อขึ้นดีใจ mm hmm. เวลาใจมันคิดมันก็เป็นกรรมเป็นกุศลที่จิตใจ เราใช่ก า, อ ย, า, ายอย่างไรเราใช่จิตใจอย่างไรเป็นกรรมประเภทไหนบางทีใช่ไม่ถูกใช่ผิดพลาดก็เปิ้อนเพื่อนมามากก็เป็นกิเลสพันห้าตันหาร้อยแปดเกิดเป็นโทษเป็นโทษตายปฏิบัติธรรมน่ยมันโกบกู้มันลื้อถอนมันลบล้าง มือนก็อาบน้ําห้างหน้าแบ่งปันลักเสื้อซักผ้าให้สะอาดเพราเราใช้มามันเปิดเพื่อนหายใจของเราเนี่ยก็เปิดเพื่อนด้วยอกุศลความหลงมากกว่าความรู้จิตใจก็เปิดเพื่อนด้วยอกุศลความหลงมากกว่าความรู้ เมื่อมีความหลงมากขัวพรมลูกก็ใช้ชีวิตที่ผิดคิดผิดพูดผิดทําผิดแย่งชีวิตที่ผิดเป็นเหล่ามอญยาตโตโศโมโหะทะเลาะวิวาส ก, านากาันเป็นฆ่ากันเบียดเบียนตนเองบีบปบียนคนอื่นก็ใช่ไม่ถูกก็เป็นผลกระทบกระเทือนไป ต่อทุก ส, สิ่งต่อเพื่อนร่วมโลกเราจะมาทำอันเดียวกันมาทำกรรมมาปฏิบัติธรรมมามีสติไปใดนกายหนึ่งวันบ้างสองวันบ้างเจดวันบ้างหนึ่งเรือนบ้างเจดเดือนบ้างถ้าที่สุดว่าไม่เกิดผลเลยหนึง่ง หนึ่งปีถึงเ็ดปีต้องเกิดอลไรก็แน่นอนเพราะมันตนกรรมเออโดยพ่อกรรมฐานตามรูปแบบของสติปัฏฐานนี่มันจัดเกณฑ์แม่นยอมมีกายมีรูปแบบสมัยก่อนพุทธเจ้าสมัยก่อนพระสีตถาคตก็ เพียงแต่ว่ากู้แขนเข้ารู้สึกเแยดแขนดอกรู้สึกในวันเพ็ญเดือนหกนั่นแหะกู้แขนเข้ารู้สึกเแยดแขนดอกรู้สึกไหลลูบไปในากายาวันคิดไปที่ใดที่เป็นเรื่องของกิจก็ลกลับมาที่กายมาตั้งไว้มาตั้งว่าง ถ้ามันคิดไปกับรูที่กายถือว่าสอนกิดเผกหัดกิดโดยตรงอยู่แล้วแล้วก็อย่างเดียวก็มาเป็นฝวงเพราะมันก็มีอยู่นี่ราเห็นกายก็พอมันหลงอะไรที่มันทุกข์มันโทษเลยกลับมาหาที่ตั้ง มันตำ่าจะเจ็บจะป่วยปวดป่้ยง่วงเหงาหัวนอนกลับมาหาที่ตั้งมาลูกสึกกู้แขนเข้าเหยียดแขนออกก็ต้องสู้พอทุกควรหลงแล้วหลงอีกทุกแล้วทุกอีกไปกับความพิดไปกับตากับหูไปกับกายตำ่าชวนร่อนเป็นตาเด็ดเผยไม่ลา ก็ไม่ทอไม่แตะไม่ท้อแต ม, ม, มาลู่ที่ศึกตัวควมลู่ศึกตัวว่า ไ, ได้เหมื่อยล่ากับวอะไรไม่ล่าสมัยยังลู่ได้อยู่ใช้ได้อยู่จะเต็มจะตายยังไงก็ใช้ได้อยู่นั้งเขวอยู่วันเป็นไรก็ลู่ศึกตัวขึ้นมาจนวันชำนี้จานาน เห็นเรื่องเก่า บ, บ่อยๆเรื่องผิดก็เห็นบ่อยๆเรื่องถูกก็เห็นบ่อยๆก็มีบทเรียนเพิ่มขึ้นในบทเรียนที่จากของเท็ของจริงที่เหมือนเกิดกับกายเกับใจเรานี่มีกันทุกคนไม่มีใครไม่ผิดไม่มีใครไม่มีถูกไม่มีใครไม่เคยสุกไม่มีใครไม่เคยทุก แต่ว่าปนนี้เราาลู้สิบตัวทิ้งมันซะก่อนมารล้กจิกที่กายกู้แขนเขา้าเจแขนออกยิ่งกรรมาฐานแบบที่เราทำอยู่นี้จัดสามชาล่าสุดสี่จังหวะน้าบินาทีและลู่วินาทีและลู้ยิ่งทียิ่งแม่นยำชัดเกณฑ์ทำได้ทันใจทำได้ทุกชีวิต โดยพละการเคลื่อนไหวก็ไม่สูญเสียอะไรเรื่องสร้างเสริมอยู่กับบาพร่างกายไม่ประโยชน์ยกแขนเข้าเหยียดแขนหนกยกมือขึ้นยกมือลงมันบริหารร่างกาย่วนหน้าอก่วนต้นคอ่วนหัวใจใบหน้าด้วยแต่ก่อนอาสัญาก หัดไปหัดไปมันก็ง่ายขึ้นเบาๆมันเคยกินมันเคยเดินวันเราเคยอยู่ที่แหล่คงแค่ที่นั่นใช้ชีวิตที่นั่นก็คลองแค่ที่นั่นเดี๋วเราอยู่กติที่บ้านมองหน้ามองซ่งวมก็คงแค่ไม่ต้องจุดแสงสว่างก็ไปได้ของใช้ไม่ใชยเราอะไรเที่ไห อาจับไปเลยถือได้เลยอยู่ที่ไหนก็บอกคนหน้ามันชำนานชำนานในกายชำนานในกก จ, จิตใจมีความรู้ชำนาญทุกพื้นที่ในกายในใจเรานี่ยอะไรที่มันมีอยู่ที่นี่หมดจนเหตุของเทศของเสียงรู้จักรูปรู้จักนามแต่ก่อนนึกว่าตัวว่าตน พอมาเห็นเป็นรูปเป็นนามเรามันลื่อถนเห็นรูปเห็นนามเห็นรูปทำเห็นนาททามันทาดีทชั่วสอนได้สอนให้รูปทำดีสอนให้นามทำดีแต่ก่อนมันมมนมีใครสอนไม่มีใครดูแลทิ้งขวง่วงแล้วแต่มันจะเกิดเลยขึ้นมา สุข ก, ก็สุขไปเลยทุกข์ก็ทุกข์ไปเลยหลงก็หลงไปเลยแบบนี้ไม่เป็นเช่นนั้นถูกสอนมามากก็ก็เชื่องลงเห็นเป็นรูปธรรมเห็นเป็นนามธรรมเห็นเป็นรูปเป็นนามเนี่ยมันไม่ไม่ใช่เห็นเฉยๆมันหลุดอะไรไปเรี่วแย่งทำกันนั่นหมายสิ่งที่ตามกับรูปจิ่งทีนามกับนาม หเห็นตามความเป็นจริงแล้วก็ผ่านด้วยผ่านเห็นหรือผ่านถ้าเป็นยังไม่ผ่านการเห็นทางจิตวิญญาณมันผ่านไม่เหมือนเห็นทางตาตาเห็นอาจจะไม่ผ่านพราผ่านทางจิตวิญญาณตาก็ผ่านหูก็ผ่า น, านำำแค่รูปธรรมนามธรรมที่มันทําดีทําชั่ว ถ้าได้มันก็ละาวามชั่วมันก็ทาความดีเพราะมีสติเป็นผู้มือผิดถูกรู้จักไม่ใช่รู้สึกตัวสิ่งที่มันหลงไม่ใช่สิ่งที่มันรู้ ส, สึกตัวคือมันถูกต้องเหมือนรู้ทุกไม่ถูกไม่ทุกถูกหลงไม่ถูกก็มไม่หลงถูกต้อง คมู อ, อย่างนี้มันเห็นอย่างนี้สัมผัส ม, มันเป็นการสมัมผัสสัมผัสความหลงสัมผัสความรู้สมัมผัสความทุกข์สมัมผัสความไม่ทุกข์อะไรหมดเรียนเห็นลูกทุกข์เห็นน้มทุกข์ทุกข์ของลูกทุกข์ของนามขุดคุยอยู่หมเลยเจ็บเห็นทุกข์ไม่ใช่เห็นใจมันเจ็บหายใจที่สุดสนใจที่สุดก็มาทุกข์เนี่ย กต็ตื่นเลื่อนตอนยกคนช่วยตัวเองเนี่ยมันสนุกทุกอย่ที่ไหนเกิดเมื่อไดเกิดจะได้เกิดไดอย่างไรทั้งว่องกันทั้งแก้ไขทั้งต้องไปเจี่ยวกองกับทุกตั้นั้นไม่ปล่อยทิ้งทัดทีไว้ที่ว่าทุกเนีตื่นเลื่อนมากทุกบางอย่าง เจียวห้องถูกต้องทุกปางอย่างเกี่ยวข้องก็ถูกต้อง่าทุกที่เกิดขึ้นกับลูกนี่มากมายแต่ภาวะทุกทุกตอนสภาพเกียวข้องโดยความชัดเจนแงบคอยนิดเฉอทุกทุกเนื้อนิดหรือทุกต่อยลัก นั่งอยู่นี่มันก็ไหลไปวามาเวลาคืนชีวิตเราไปด้วยไม่เที่ยงตายรักทีม่มันเกิดจากรูกทุกข์เล็กนิดหายใจต้องเอื่อนต้องไหว้าคันทุกข์ทุกข์ทุกที่ชวนมาเข้า นัเบ้าออกไปทุกแบบหนึ่งเดี่ยวเข้ากันอย่างถูกท้องไม่เอามารวมเป็นทุก์ที่เป็นที่ว่าทุกทั้งหมดเป็นใช่ทุกบางอย่างมาได้ปัญญามาได้ปัญญามันเห็นมันก็เป็นปัญญาแทนที่ทุกเป็นทุกหลายเป็นปัญญาทุกเกีการพวงแตนตอนนี้ มีความแสดงถึงศักดิ์สิทธิ์ถูกติการผุงแต่งไม่ให้เกิดมอนิดหน่อยเหมือนกับไฟตกใจลาปัดออกตันเตยใจใจตัวนี้ข ย, ยันตัทุกขจากการผุงแต่งอะตื่นรุ่นไม่ปล่อยให้หมุ่มุ่นคุณคิดทุกข์มอย่ากทุก ที่เรไม่รู้จักบาทีก็ทุกข์เพราะความคิดความคิดขึ้นมาความคิดตัวเองก็หยุดไม่เป็นหยุดความคิดไม่เป็นก็ต้องยอมมันนอนไม่หลับกินไม่ได้ไอ้ทุกข์ขึ้นมาเป็นทุกข์คิดขึ้นมาเป็นทุกข์โอเนี่ย ทุกแบบนี้ถ้าผู้ที่ไม่รู้จักก็เกี่ยวข้องไม่เป็นถ้าเราเห็นแค้งตามความเป็นจริงของทุกท้องฟองมันมีแต่เรื่องที่สะดวกรวมทุกมันทําให้สะดวกในความไม่ทุกรวมผิดทําให้สะดวกในความไม่ผิดเหมือนเราเรียนวิชาอะไรต่างๆ ทำงานทำการอะต่างๆมันจะเป็นศาติพ้นศิน ต, ตรงนี้มีผีมือมีปริญญาชั้มิชั น, นานได้บทเรียนได้ปัญญาได้รับความสะดวกเหกมือนชิงโชกบกแําเมื่อเกิดความฉลาดขึ้นมาถ้าไม่มีชิงโชกบก ความสาด ก, ก็ไม่มีถ้าไม่มีผิดถูกก็ไม่มีแล้วไม่มีทุกเหนือทุกก็ไม่มีเป็นไปเพื่อความด็ดพกุกเป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อนิพพานหยุดเย็นได้นี่เมื่อเห็นทุกข์หลอกขนส่งขนส่งสนุกตรงนี้มา้างสนุกขนส่งตัวเองหลุดอะไรพ้นอะไร คนจากภาวะอะไรบ้างมองตนออกอเห็นทูกขนะ์ต่างเนี่ยลากเง่ามันก็ลือถอนเห็นสมมุติเห็นบัญญัติเมื่อเห็นสมมุติเห็นบัญญัติเนี่ยหายโง่โง่หลงงมาเชื่อโดนเชื่อนี่ไม่มีแล้ ว, วัลจืดราง ว, วัล การกระทํา m อย่างเดียวเชื่อกรรมอย่างเดียวไม่เชื่อวิธีใดทั้งสิ้นยู่ที่กรรมคือกรกระทํากรรมเป็นใหญ่มั่นใหญ่ในชีวิตเมื่อเห็นสมมุตเมิเห็นบัญญัติเห็นวัตถุอาการกต่างๆเชื่อมั่นในการกระทําของตนเองทำดีก็ดีพูดดีก็ดีคิดดีก็ดีเป็นโกเป็นกรรม เมื่อเห็นสมมติเทีนมันใหญ่หมายโม่โอ้โหลงมงมายเชื่อนูนเชื่อนี้ไม่มีมันใหญ่ในการใช้ชีวิตเพียงพอมันใหญ่ในการทำความกระทํากระทำอย่างนี้ไม่ทาําอย่างโน้นจะคิดอย่างนี้ไม่คิดอย่างโน้นจะพูดอย่างนี้ไม่พูดอย่างโน้นเชื่อกม กรรมนี่บัน้เป็นกรรมที่เป็นมีผลไม่ทำดีก็ดีไปเลยคิดดีก็ดีไปเลยพูดดีก็ดีไปเลยไม่มีการผิดพลาดโอ้กรรมาฐานในมันพาไปน้อยอยากที่พาไปเห็นก็ช่วยสมาธิก็ช่วยปัญญาก็ช่วยการกระทําก็ช่วย ไม่ตกไปในที่ช่วมีแต่เรื่องที่ช่วยเพียงพอการช่ยชีวิตช่วยไปทางไหนช่วยไม่ให้มีทุกข์ไม่หลงไม่โกรธไม่โรคช่วยไม่ให้เกิดปัญหามีแต่ปัญญาอาคิตถึงคนอื่นการช่วยเหลือคนอื่นเป็นเรื่องที่ที่ เบื้องหน้าที่ทิ้งไม่ได้สิ่งอื่นก็ถ่วยที่ทิ้งไม่ได้เกิดวิ่งใหญ่ในชีวิตใจิตใจขึ้นมามองอะไรก็มองถึงว่าต้องได้ต้องได้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ไม่ได้เราแค่บอกคนเวลาท่านโกรธไม่โกรธก็ได้เวลาท่านทุกข์ไม่ทุกข์ก็ได้เวลาท่านเจ็บไม่เจ็บก็ได้ แล้วท่านแกไม่เจ ก, ก็ได้อย่าทุกข์ความเก็บอย่าทุกข์ความแก่อย่าทุกข์ควมาวมตายบอกอย่างนี้เรื่องความเก็บความเก็บ ค, ค, ความตายไม่ใช่ชีวิตชีวิตมันไม่เป็นอะไรแต่นกทำอะไรปฏิบัติทรบมแล้วมันเป็นกอบเป็นกรรมเป็นมักเป็นผลขึ้นมาจากการกระทําของเราไม่โทษถอยไม่ถอยหลังเอาหน้า ถ้าเป็นสัทาก็สัตาเก้าหน้าไม่ใช่สัตาแบบถอยออกถอยเข้าเวลาเหยียดขานก็หยุดเวลาขยันก็ทำไม่ใช่แบบนั้นในวางถูกต้องเลยไม่มีไม่มีแก่ไม่มเจ็บไม่ตายทุกตลอดไปความผิดก็ไม่ผิดตลอดไปนั่นจึงเป็นชีวิตต้นร่วน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 ก็มีแต่คำพูดที่ว่าเห็นไม่ได้เป็นกับสิ่งต่างๆที่เกิดกับรูปของนามอันสิ่งที่เกิดขึ้นกับรูปของนามจะหลอกไม่ได้เด็ดขาดเพราะมันเห็นความเท็จความจริงของรูปของนามตามความเป็นจริงแล้วก็ไม่มีอะไร งอกอามแลกขึ้นมาแบบใหม่อันรูปอันนามนี่อันเดียวเป็นสูตรเดียวความหลงก็เหมือนการความขวดก็เหมือนการความทุกข์ก็เหมือนการไม่มีอะไรอีกไม่เท่านี้เราจึงสามารถที่ทำได้ปฏิบัติได้ยิ่งที่เราหลงอะไรว่างไม่รี่ไม่รับ เห็นกันทุกคนถ้ามีสติสิ่ที่ถูกก็ไม่รี่ไม่ลับเห็นกันทุกคนถ้ามีสติถ้าไม่มีสติก็ไม่เห็นมีสติก็มีได้ไม่ได้ขอใครเห็นเรามือวางไม่บนตักหมอเขา่าไม่รู้สึกตัวว่ารู้ได้ทุกคน ถ้าเอามือวางไว้บนเขาไม่รู้สึกตัวก็มีเหมือนกันทุกคนถ้าไม่ฝึกหัดถ้าหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ได้ทุกคนถ้าฝึกหัดถ้าหายใจเข้าหายใจออกไม่ฝึกหัดไม่มีสติก็ไม่รู้เหมือนกันทุกคนแล้วแต่เราจะฝึกหัดแลเราบนหลงเราเปลี่ยนหลงไปไม่หลงก็ฝึกได้ทุกคนถ้าฝึกแต่ถ้าไม่ฝึกก้มหลงก็เป็นก้มหลงอีกขึนนัน ความทุกข์ก็เป็นควงทุกข์อยูกก่เช่นนั้นความโกรธก็เป็นควงโกรธอยู่เช่นนั้นถ้าเราเปลี่ยนก็เราเปลี่ยนได้ทุกคนถ้าไม่เปลี่ยนก็มีหลงเป็นหลงทุกเป็นทุกถ้าเปลี่ยนก็อะไรก็เป็นรูปจุดที่เกิดกับกายกับใจนี่มาเป็นรูปทั้งหมดพร้อมแจ็ก็รูปเห็น ควาเจ็บผู้รู้เห็นความตายก็ได้รู้ได้เห็นได้เป็นรู้ทั้งหมดอาว่าที่รู้เฉกตัวเนี่ยเหมือนผู้มีสติเป็นหน้าโลกเหมือนพระกีนาสุกผู้มีสติเป็นวิฏายน้ําใบชูอันวิเศษกีนาสุกคือพระหลานผู้มีสติเป็นวิฏายเนี่ย ทุกคนทําได้อยู่ในกำมือของเราเธอๆให้มั่นใจตัวเองแต่มั่นใจการทำเนี่ยมากที่สุดทําดีก็ดีทันทีมีสติก็มีทันทีละความชั่วทันทีมีสติก็ทําความดีทันทีมีสติจิตก็บริสุทธิ์ทันทีเจ้าอย่างไง จะไปขอใครที่ไหนอาศัยใครวันเดือนตีไรลืกงามยามดีที่ไหนอยู่ที่การกระทาของเรานี่พร้อมแล้วได้รูปมหาพุตธรูปรูปอาศัยทำตีทำชั่วได้ถ้าทำดีก็ดีได้รูปนี่มหาพุตธรูป ที่มาเกิดมาให้เราทำดีดูดีดมาพุทธลูกนี่เป็นเครื่องมือทำดีไม่ใช่มาทำชั่วมีมือห้านิ้วสำหรับจับจับนิ้วดียวไม่แน่นสองนิ้วก็ไม่แน่นสามนิ้วสี่นิ้วห้านิ้วจึงแน่นเพื่อจับปลายจับสิ่งที่ทำดีช่วยเหลือกันดึงกัน ยิ่งเีบนิ้วยิ่งดีใหญ่มีบามีที่แบกแต่มันหลักก็แบกกันมีที่โะที่วางพับได้เอาให้ออกเราได้บาดไปชันได้เพื่อทำความดีสะดวกกว่าทำความชั่ว จะทำคั่วตรงรีตรงลับเติดีไม่รีไม่รับที่ไหนก็ได้สะดวกในโลกธรรมมาพูดถลูกในโลกอาศัยให้ทำความดีถ้าเราไปลูกก็เป็นอุปทายจะลูกยึดมั่นเถือมั่นเป็นทุกข์เป็นโทษกับลูกนี่อุปทาจะลูก ลูปที่มันเป็นทุกข์รูกที่มันเป็นทุกข์เป็นโทษอะไรก็มาเป็นตัวเป็นตนมาว่าเป็นตัวเป็นตนไม่ใช่เห็นแจ้งตามกวเป็นจริงที่ว่าอุปถาจะลูกมันซ่อนอยู่ที่ลูกมหาปุตตลูบด้าลองไปลูกก็เป็นซ่อนขึ้นมาอารที่จะมีประโยชน์ก็เป็นโทษ เป็นรูปทุกไปซะไม่ใช่เป็นรูปธรรมเราจะมาเห็นเป็นรูปธรรมทำดีรูปดี้มันเอามาทำดีเมลขวมชั่วไม่ใช่ระยึดมั่นถือมั่นมาพุทธรูปไปกอาบไปด้วยธาตุจีธาตุหกมันก็มีให้ผมามมาะพอดี จะโลนเหงื่อมันก็อกด้านหนาวมันก็ปิดเหงื่อปิดน้าไว้มันเป็นธรรมชาติมันยอดเยี่ยมธาตสี่ธาตุหกธาตุหกก็มีช่องว่างมีในกายมีช่องว่างมีที่เดินลมมีที่เดินเลือดอินยานธาตุคือมันรู้อะไรได้ ไม่ใช่สี่เป็นหกเรียกว่าขันธ์ห้าทำดีได้ทงชั่วดีแล้วกูก็รู้ว่าเป็นทุกข์แล้ไม่กูก็รู้ว่าไม่ทุกข์มันรู้อะไรได้แต่เรามาช่วยไม่ช่วยลู้ช่วยนำไม่ช่วยมหาพุถธลูกให้อยู่ในความเป็นธรรมไม่เป็นธรรมต่อมหาพุถุลูก โมขุปทาเยารูปทำผิดผิดเมื่อไม่มีความเป็นธรรมในรูปความเป็นธรรมในน้ำก็ไม่มีรูปเบียดเปลี่ยนน้ำน้ำเบียดเปลี่ยนรูปทำมาเป็นปัญหาเป็นทิพเป็นภัยในชีวิตผิดก็เป็นทุกข์เป็นโทษไปยิ่ไม่ได้ลงไม่หลับ จะเปลีป่ยนกันไม่เป็นธรรมต่อกันนี้สติจะสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นกับรูปปน้นน้ำเรื่องของรูปเป็นอันหนึ่งเรื่องของน้มเป็นอันหนึ่ง่ารูปหิวน้ำไม่ได้เป็นละลายเห็นมันหิวเกี่ยวข้องกับความหิวอย่างแยบคาย ให้มันปวดมันเจ็บเกี่ยวข้องกับความเจ็บพมอดอย่างแย่พลยไม่ก ร, ระเพ่อเถือนไม่หวั่นไหวเปนความนิ่งมันก็ถูกต้องแล้วมันหิวเดินทางกายก็เหนื่อยลา้าก็ถูกต้องแล้วแต่นามไม่เป็นลายต้จักแยก คือนามมันไม่เป็นอะไรกับอลไยไม่ใช่เอารูปนี่ไปเป็นตัวเป็นตนเป็นไรเป็นไปกับรูปนามรับใช้รูปบางทีก็บรูปบางทีก็นามบังครับรูปอย่างที่เราสาธเตปสูตรจิตประเสริฐจิตเป็นใหญ่สําเร็จแล้วที่จิตใจใจทางไหนใจทางช่ย รูปที่ผิดประเสริฐต้องไหนประเสริฐที่ทำท้ายลูปที่เป็นความถูกต้องสำเร็จแล้วที่น้ําที่ใจสาเร็จแบบไหนถ้าทําชั่วก็สําเร็จถ้าทําดีก็สําเร็จต้งสองอย่างทำไม่มีสติเราใชยอย่างไรใช้รูปอย่างไงเสื้อนามอย่างไง น่าสนใจปล่อยตัวเองทิ้งไปอดีตบัดทำค้อมาดูแลตัวเรานี้ดูแลตัวเราก็ดูแลที่ไหนดูแลที่กายที่ใจอย่ยาปล่อยให้กายให้ใจเป็นทุกข์เป็นโทษมีสติดูแลเจ้อได้ทั้งหมดปล่อยทิ้งไอ้เวลามาคิดขึ้นมาก็ให้ดูแลมีสติ แต่มันคิดแบบอะไรคิดได้ทั้งหมดไม่ใช่ไมมันคิดอย่างสิ่งที่ถูกถ้าคิดอะไรทุกอย่างทาตามความคิดหมดทุกอย่างแล้วก็ไปถูกต้องนี้สติดูเลยใช่ความคิดที่ถูกน้อยลายเป็นดีมันอยู่ในตัวมันเอง ความหลงมนาะพร้อมกันกับความไม่หลงถ้าเกิดจากกิดถ้าเกิดจากรูปถ้าความทุกข์มาพร้อมกันกับความไม่ทุกข์กิดช่วยเหลืออยู่ด้วยกันมานะพร้อมกันความเจ็มาพร้อมกันกับความไม่แจ็บความเจ็บมานะพร้อมกันกับความไม่เจ็บ ความตายมาพ้อมกันกับความไม่ตายอะไรตายอะไรไม่ตายทำให้มันเป็นอะไรเจ็บอะไรไม่เจ็บทำให้มันเป็นได้บอกก็บอกได้แต่ให้ไปถามบว่ามันแกเห็นมันแกไม่ได้เป็นผู้แกเมันเก็บเห็นมันเก็บไม่ได้เป็นผู้เก็บ ว่ามันเห็นนักเกรูปแต่น้ำในปายมันจึงไปหป็นศาสต้นฉปนที่นูน่นเมื่อมีตายก็ไม่ตายก็ตายเห็นเหมือนตายไม่ได้เป็นว่าตายม่อะไรตายที่เห็นนี่ไม่ตายกับอะไรเห็นไม่เป็นไม่ตายกับอะไรเป็นชีวิตส่วนลว น, ลวน เนือไม่เห็นกายเห็นนามเห็นรูปมันก็ไปทำนั่นนะสุดหมายปายทางถึงสุดยอดที่นั่นองคุตธรรมที่นั่นเนื้อการ เ, เากิดเกิเกิดตายปฏิบัติธรรมนี่ไม่ใช่มาทาเปรีพิธีหรือตรงใมันเป็นชีวิตชีวาขึ้นมาให้เห็นให้เห็น แติทำตอนที่เห็นไม่ใช่ลู่ฝึกไปไหมคือลู่ฉึกตัวฉึกแต่ลู่นี่เป็นเห็นนะลูล่ฉึกตัวฉึกแว้มวมือถ่ามืออยู่ไหนมืออยู่ที่เขา่าอะไรลู่ว่ามือที่เก่าก็รู้สึกตัวถ้าหลับตาดูเห็นไหมเห็นว่ามืออยู่เห็นเห็นก็เห็ น, ห น, หนที่สูงสุดคือภาวะที่เห็น พระเจ้าคือเห็นพระพุทธเจ้าไม่ได้เห็นไม่ได้เป็นทห็นกายจะว่ากายเห็นเวทนาจากัก เ, เวทนาเห็นจิตสวัสดิจิตเห็นธรรมสักว่าธรรมผมเห็นนิพพานไปตลอดถ้าเป็นจะผ่านไม่ได้ตัวทุกข์เป็นทุกข์ผ่านไม่ได้หลงเป็นหลงผ่านไม่ได้ไอเห็นมันทุก ผ่านได้เห็นมันหลงผ่านได้เห็นทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจเหล่านี้มันไม่ยากทําไมทําไมมันจึงทําไม่ได้นจะง่ายที่สุดนะมันจะง่ายที่สุดอันเป็นเนี่ยมันยากกว่าอันเห็นไม่เป็นเนี่ยมันง่ายๆง่าให้ตัวองง่ายอย่าทำให้ตัวเอยงยาก อย่าทำให้ตัวเองมีปัญหาทำให้ตัวเองมีปัญญาช่วยเออที่มันไม่เข้าเข้าใจก็อย่าไปหมกมุ่นมันให้ง่ายๆอย่าไปดันอย่าไปสู้เส้นควงง้นอนอย่าเชื่อมันยากมันง่ายๆอย่าเชื่อว่าเป็นเรื่องใหญ่พิจก็ยากพุงซ้อนก็ยากงวงเมาหัวนอนก็ยาก มันนั่นไม่ใช่เป็นความสะดวกนะดีมองเลยดีแล้วเห็นแล้วนี่คือควม่วงนี่คือความผงเาร์นี่คือควมวคควมเลยสงสัยเห็นแล้วบางทีก็ตกในแหล่งวิตกวิจารหมกมนคนคิดขอเหตุเอาผลมากมายแล้วก็มีรสชาติ ต่บางทีมันตกแหลงความรู้ตกแหลงความรู้ตกแหลงความรู้ก็เพื่นอะไรก็รู้ไปหมดเลยอย่าไปหลงตกแหลงความฉุกก็อย่าไปหลงตกแหลงปิติก็อย่าไปหลงตกแหลงความโง่ก็อย่าไปหลงตกแหลงความว่างก็อย่าไปหลงมันมี ทางผ่านตกแหลงความรู้ก็เรียกว่ากินตะยานกินตะยานเนิ่นไม่กลับมาดูก็กลายเป็นพิพัฒน์ฉัูได้ตกแหลงความว่างก็กลายเป็นหยุดแบบไปหลงความว่างถ้ามันว่างอะไรก็ไม่รู้ให้มาลำดับอารมณ์ อันนี้เป็นรูกอันนี้เป็นนามไปเป็นลูกามนามทำมันเข้าเกลียว่างมันไม่ไปก็กลับเข้าเกลี่ยไปนี่คือรูกนี่คือนามลำดับลำดับดูมันก็ลดที่มันตกเกี่ยว่างเข้าเกลี่ยหนักขึ้นต้นใหม่ออกหม่ ค่ตัวอย่างอย่างนี้ไม่มีใครสอนต้องต้องจดเกณฑ์ด้วยทวนเองว่าจะไม่เป็นเหมือนกันทุกคนบางคนเกิดนิมิตบางคนไม่เกิดก็ไม่เหมือนกันตอนก็ไม่จริงอ น, นิมิตก็ไม่ใช่ของจริงไม่ของที่เกิดขึ้นได้ทางตาทางหูทาง จ, จาิตใจ หางลดก็มีเอยเกิดลดนิมิตทางลดเมื่อมีปิติในธรรมก็เกิดนิมิตทางลดขึ้นมาอิ่มอิบคือน้ำลายตัวเองอิ่มไม่อยากกินข้าวเย็นแล้วเราจะปฏิบัติธรรมคือน้ำลอยนั่งร่างงหะอิ่มหนึ่งบางก็ไม่หิวสงวันก็ไม่หิว แต่ไปฉันเขาถ้าไม่ฝ่ายเพื่อนจะเป็นห่วงคิดถึงเพื่อนกลัวเพื่อนจะเป็นห่วงแต่ตัวเองไม่หิวเลยไปฉันก็ไม่ได้ยื้อไปที่ใดด้วยใดที่อยู่ใกล้ๆก็เจียมตัวอยองนั่นเข้าในบอดมันว่างมันอิม่มเพีงก็ฉันไปไม่ได้มี เพิมไปตื่นรุน่นอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีไม่ได้คิดยืนไปมันอิ่มนันก็อย่าไปหลงเหมือนนี่สติสิ่งจะไม่หลงก็มีเยอะหลงในความสุขหลงในความสงบหลงในความว่างถ้าว่าตัวเองหมดเฉลี่ยตัณหนานั่นก็อ ย, าอยา่าอย่าไปหลงก็อย่างมันเป็นเช่นั้นเลยคิวต้องเป็นปกติ ในตาเห็นนหูได้กินมีเชื้ได้กินมีลิ้นในรถเป็นปกติธรรมดาบ่อยอย่าท้อถอยอย่ายุดเมื่อถึงที่หมายมันจะโบกเองตัวเองจะบอกแองจุกไม่มีอะไรอีแกแค่นี้หมดเนื้อหมดตัวหมดเนื้อหมดตั ว, มมตวไม่มีอะไรเท่เป็นจุกไม่มีอะไรเท่เป็นทุก ใช้ชีวิตอย่างอิสระภาคมีแต่เมตตากรุณาที่จะช่วยสึ่งอื่นวัตถุอื่นคนอื่นเต็มเต็มอยู่ตลอดเวลาไม่มีทางที่ไปเป็นพิษเป็นภัยกับใครไม่มีทางที่เป็นพิษเป็นภัยกับสิ่งใดทั้งสิ้นแ้แต่ไมดตินไม่ถีไม่รายเป็นพากาศ ไม่เฉพาะผู้คนผู้คนแต้แตไปโกรธทำทำไมไปเปลียนแปลงก็ทำไมไำไ ม, มาช่วยกันเป็นเพื่อนเคยเจ็เจ็บตายด้วยกันนี่แล้วคนก็น่าสงสารน่าสงสารต้องหายใจเข้าหายใจออกต้องกินต้องถ่าต้องหลับต้องนอนลูกเอ ง, อ ง, เ ก, อ ง, องเก็ขนขวยช่วยตัวเองอยู่ เต็มที่อยู่แล้วไปเบีดเาายดแยงกันทำไมเห็นคนในหน้าสงสารที่สุดนะวันหนึ่งนั่งรถมากับลูกพ่อกรมเห็นคนผัวเมียสองคนพนหมอใจมาจอดปั้นน้มันใกล้ๆกันกับรถเจงลงูกพ่อจอดอยู่โอ้สามีเขาไปเปิดตัวน้ำมันไม่น้ำมันคงไม่มีหหละมันข้อข้อรดมองหน้ากัน อาจจะคิดในใจว่าถึงบ้านไหมนี่น้ำมันเหลือด้วยอาจจะไม่มีเงินแล้วมะเราก็บ้าคิดไปเองนะถ้เาเป็นบ้าคิดไปเองบ้าแบบนี้นะคิดอยากจะเอาเงินให้เข า, ากลัวว่ามันจะให้แบบไหนดีถ้าไปให้เขาอาจจะเขาดูถูกเพาะว่าเราดูถูกเขาเราบ้าชิดวิีใดแล้วอบอกว่าพกรม บกมเอาเงินแม่สองคนเติม น, น้ำมันแล้วบอกผมไปยืนดูช่ไหเฉยก็ไม่ให้เงินกน็แล้วก็เลยอันนี้เขก็ขอนขับรถมาขับรถดออะไรบอกเขามีเครื่องดื่มอยู่นี่คุณหมูชื่อมาในเครื่องดื่มอยู่นี่หลังทีกอดเอ้าไปให้เขาด้วเห็นเด็กน้อยมันไม่มีอะไรกิน ถ้ามันหิวก็ถ้ามันมีเงินคงไปกินนะ่ะถ้าจอดเตี้ยนนะจอดทำใหม่นี่มันไปไมันไปกินที่ไหนมันดินมองหน้ากันอยู่นี่เราก็สงสารสงสารนะเอาน่ า, น า, เ, ราเราช่วยกันเถอพวกเราช่วยกันที่ดีสุดคือบอกยังไงอย่าหลงนะให้รู้สึกตัวเวลามันหลงเปลี่ยนเป็นตัวรู้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 ไม่มีใครช่วยเลยมีแต่หมอยืนเียงข้างเพียงคนสองคนหมอวัยพูดอะไรเนี้ยบเนีย บ, ยบไม่มีใครช่วยเราได้หายเจ็บไมได้หมอก็ช่วยไม่ได้เจ็บตับปวดดังแล้วเขาช่วยไม่ได้เจ็บคนเดียวนี่เรามีทําเห็นเหมือนเจ็บ โอ้นี่คือของเคล็ดของจริงไม่ได้เป็นผู้เจ็บไม่ได้เจ็บกับความเจ็บหายเจ็บไม่ได้ก็ไม่ได้หายไม่ได้หลงหายใจมาเป็นความตายชีวิตเราไม่ตายก็หลงหายใจอาศาัเลยเรื่องหายใจเราอยู่เฉยเราอยู่เฉยนี้จิตของเราไม่ใช่จิตเป็นความชีวิตที่ไม่ต้องอาศัยอะไร ไม่เป็นกับลอยปฏิัปธรรมนะเป็นสมบัติของเราแท้ๆจะให้พาดจะชาตินี่พร้อมแล้วอนุสมบัติสวสมมรรค์สมบัตินิพพานสมบัติเป็นชีวิตที่สิทธิของเรา1อยเปน ะ, ะก็ขอเขียร์ท่านทั้งหลายให้ปฏิัปธรรมเนะียไม่มีวิธีอื่นนะ ตางใจเจ้าสนนะคู่ฉันเข้ารู้จึกเหย่อฉันอกรู้จึกเนี่ยสมควรจอเวลากาพะพรมกัน